รอบนอมต่อคุณปรตัตน์ไตรขอากาบกะละวะหลวงพ่อคำเขียนสวนโนอันเปรียบประดุจเป็นดวงประทีบของวัดป่าสุกตโขอากาบพระอาจารย์ไพศาลพระเทลานุเทละเพื่อนสัธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านบวัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนัง ช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาความที่สัตว์ต่างๆที่เขาตายไปนั้นนะยังนำชิ้นส่วนต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ได้ วัวควายตายก็เหลือมีเขามีหนังเอามาใช้ประโยชน์ได้ช้างตายก็ยังนํางาเป็นเครื่องประดับได้แต่คนเราถ้าตายไปแล้วจะนํำชิ้นส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยสิ่งที่ยังเหลืออยู่จากคนที่ตายไปก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะมีผู้ที่กล่าวถึงอย่างเช่นนี้ตลอดไปนะ ผู้ที่ทำชั่วก็ถือว่าเออแผ่นดินสูงขึ้นนะก็ถือว่าความตายก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็อาจจะถูกสาปแช่งนะถ้าทําสิ่งไม่ดีไว้มากๆนะก็มีคนระลึกถึงความชั่วอยู่ตลอดไปนะนึกถึงหน้าแล้วก็ยังนึกถึงความชั่วไปตลอดชีวิตอันะนี้ก็เป็นสิ่งทีนะ่น่าสงสารคนผู้นั้นเนะ แต่ตรงกันข้ามผู้ที่ทำแต่ความดีเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีประโยชน์กับส่วนรวมกับสังคมเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่จิตอิญญาณผู้นั้นก็จะมีผู้ที่ระลึกถึงมากมายใบหน้าก็จะปรากฏในโมโนสานึกของผู้ที่ระลึกถึงในคุณความดีเช่นนั้นตลอดชีวิต นะไม่เคยจากจิตใจไปนะไมีการระลึกถึงอยู่บ่อยๆในความสำนึกในบุญคุณและพระคุณของผู้นั้นนะหรือว่าคำเขียนก็เป็นผู้หนึ่งนะในนะความรู้สึกเช่นนั้นของพวกเราทุกท่านที่ท่านจากไปแล้วแต่คุณความดีท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดกาลาน ในชีวิตของท่านที่เคยได้ฟังสัมผัสมาจากพระอาจารย์เผยสารเป็นต้นก็ได้ทราบถึงเบื้องต้นต่างๆในการที่ท่านได้ทำมามากมายเพราะในสมัยนั้นผมเลือดตมาก็ยังยังไม่มีโอกาสมาอยู่ที่วัดนี้แต่ก็ได้ฟังเรื่องต่างๆที่พระอาจารย์เผยสารได้เล่าไว้ก็มีความประทับใจหลายๆเรื่องนะ ในสมัยที่ท่านยังอยู่ในยุคแรกๆนั้นท่านก็ฟังดูแลเหมือนกับท่านก็หลวงพ่อเทียนก็อยากให้ท่านไปอยู่ตามวัดในตัวเมืองต่างๆเช่นวัดสนามในซึ่งอยู่นนทบุรีหรือทางวัดโมกขอนแก่นต่างๆซึ่งเป็นวัดที่มีความเจริญมากแล้วแต่ท่านก็ไม่ปรารถนานที่จะไปอยู่นะมาอยู่ในป่าในดงในภูที่ห่างไกลจากความเจริญ ไล้ซึ่งลาภสการะและความสะดวกสบายต่างๆมีแต่ความทุกข์ความลาบากเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านในบริเวณนี้ซึ่งในสมัยนั้นก็คงจะมีความลำบากมากในการทำหากินต่างๆท่านก็มามาเป็นกำลังใจมาเป็นผู้นำในการที่จะช่วยเหลือโดยวิธีการต่างๆ เช่นมีการเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรต่างๆมาแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆมากมายนะโดยเฉพที่วัดภูเขาทองก็มาตั้งโรงเรียนเด็กเล็กเอาไวนะ้เพื่อที่จะช่วยเหลือนะลูกของชาวไล่ต่างๆที่ต้องไปทําไลนะ่ไล่มันหรือไล่ต่างๆเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่มีใครดูแลนะจะได้มาฝากไว้ที่ศูนย์เด็กเล็ก ที่ท่านจัดตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์เด็กแรกแห่งแรกในชัยภูมิเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งต่าง ท, าท่านทำมาเนี่ยมีมากมายนะที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวบ้านทั้งๆ ท, ที่ท่านก็สามารถไปอยู่วัดทิ่จเจริญได้แล้วก็สามารถที่จะอาจจะมีคนรู้จักมากกว่านี้ซะอีกนะ แสดงถึงความเมตตาเป็นอย่างยิ่งของท่านนะด้วยความเมตตาเช่นนั้นในยุคแรกๆนั้นที่บริเวณท่ามาลาปหวานนะก็ช่วงนั้นเหมือนก็มีคนไม่ดีดอยู่เยอะคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือคนที่หนีคดีต่างๆก็มาอยู่บริเวณนี้กันเยอะมากเพราะนั้นในยุคนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องอาชญากรรมต่างๆมากมาย แต่ท่านด้วยบารมีของท่านท่านก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะไกลเกลี่ยแล้วก็ให้เกิดทุกๆคนให้เกิดความรักษาศีลห้ากันนำธรรมะเข้ามาสู่หมู่บ้านนี้แม้ว่าในระยะแรกจะยากลําบากแต่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้หมู่บ้านของพวกเราก็มีความสงบสุขเพราะด้วยบารมีของหลวงพ่อที่ได้ มีความพยายามที่จะจัดการเรื่องในเรื่องต่างๆนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำมหากินก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องจิตวิญญาณต่างๆท่านก็ช่วยเหลือในตรงนี้อย่างเต็มที่โดยไม่เห็นกับความทุกข์ยากนะหลวงพ่ อ, พอจงก็เคยเล่า ว, ว่าอสะพานข้ามลำธาที่บริเวณกุดงงหลวงพ่อก็เหมือนกับเป็นผู้นําในการก่อสร้างนะ คือท่านได้สร้างท่านทุกอย่างที่เราบางทีอาจะนึกไม่ถึงหรือเราอาจจะลืมไปแล้วนอกจากคนเก่าๆที่สามารถที่จะรู้นะก็มีโอกาสที่จ ะ, ะมาบอกกับพวกเรานะแต่ตัวหลวงพ่อท่านจะไม่เคยบอกอะไรในเรื่องพวกนี้เลยท่านจะเทศแต่ธรรมะทั้งนั้นนะเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าเออท่านจะบอกว่าท่านไปสร้างอะไรทำนู่นทำนี่ท่า น, น, านาจะไม่เคยได้ยินเลยนะก็ท่านจะเทศเรื่องธรรมะแทบทั้งนั้น อันนี้แสดงว่าจิตใจของท่านก็ไม่ได้หวังสิ่งใดใดตอบแทนท่านทำเพื่อประโยชน์สังคมจริงๆแล้วก็ในช่วงที่ผมเลือดมามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆก็หลวงพ่อเป็นผู้นำในการปลูกต้นไม้ในวัดป่าสโ ต, โตเนี่ยมากไปอย่างยิ่งนะในสมัยนั้นจะมีต้นกล้ามาที่วัดป่าสโตมากมายนะโดยเพพาะยางนันนรลุสจะมีเป็นหมื่นต้นเลย แล้วก็ช่วยกันปลูกปลูกทับทุกวันนะตอนนั้นก็พากก็เยอะอยู่เหมือนกันนะในช่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับสมัยนี้ก็ปลูกต้นไม้กันมากมายนะทั้งบนเขาทั้งข้างล่างจนทุกวันนี้ถ้าเรามีต้นกล้าสักหนึ่งต้นยังไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนเลยนะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากจริงๆแต่จากการปลูกในยุคนั้นก็ทาให้ในยุคนี้ได้ไประโยชน์มากนะมีความร่มเย็น มีสถานที่สัตวป่ายะทําให้สามารถปปฏิธรรมได้แทบทุกแห่งเพราะว่ามีแต่ความร่มเย็ น, นะมีแต่สิ่งที่งดงามสวยงามอันนี้เกิดจากความดํำริของหลวงพ่อจากนั้ น, นโดยเพราะการปลูกต้นไม้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็จะปลูกทุกแห่งนะอแม้แต่นอกวัดหรือที่ไหนมีโอกาสท่านจะไปปลูกะมันก็ตอนนั้นที่บริเวณ ฝ่ายน้ำล้นที่อยู่แถวที่ฝ่ายน้ำล้นทางมาไฟท่านก็ยังไม่ปลูกต้นไม้บริเวณนั้นเลยก็คงจะปลูกหลายๆแห่งอยู่นะแต่ท่านไ ม, ไม่ได้บอกพวกเราวัดภูเขาทองบริเวณข้างในที่เป็นกุฏิภาคก็ต้นไม้ล่มคลึม้มแต็ไมไหมดทงำุกแห่งเนาะที่ภูหลงนะหรือเดินธรรมยาตาก็เกิดจากดำรลีงหลวงพ่อนั่นแหละที่จะช่วยลําน้ำลำบ้าทาว คือในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าในจิตวิญญาณของท่านท่านจะมีการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านทุกๆแง่ทุกๆมุมนะไม่ว่าจะเป็นการกิจการอาชีพนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือธรรมชาติที่ดีขึ้นท่านก็จะทำทุกอย่างนะ เพราะนั้นท่านไม่มีหลวงพ่อแล้วก็คงจะบ้านเมืองในบริเวณนี้ก็คงจะต่างอย่างนี้เยอะนะหรือวัดป่าสุโตก็คงไม่เป็นเช่นทุกวันนี้อันะนี้ก็เป็นบารมีของหลวง พ, นะพ่อนะโดยเพราะหลวงพ่อจะมีความเมตตาสูงไปอย่างยิ่งนะถ้าเราเจอท่านจะรู้สึกว่ามีความเย็นนะเกิดมาจากตัวท่านนั่นแหละจากบุคลิก ต, ต่างๆของท่านที่ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวท่านทําตัวเหมือนกับเป็นพระชาวบ้านนะบางที ในสมัยที่ผมเรือตมาใหม่ๆเจอท่านท่านเมื่อท่านจะยกมือไหว้ก่อดเลยตกกระจายอะไรท่านจมท่านจะมีความเหมือนกับว่าท่านจะไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นอย่างยิ่งะตอนหลังเจอท่านต้องรีบบายท่านก่อนเลยไม่งั้นเหมือนกับท่านจะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยท่านจะเหมือนกับท่านไม่ถือเนื้อถือตัวในการที่ว่าจะต้องมีศักดิ์ศรีนะหรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะหรือว่าเป็นพระระดับไหน นะท่านจริงๆท่านเป็นเจ้าคณะตำบลแต่ท่านทำตัวแบบธรรมดามากบางทีเคยไปไหนกับท่านอนะไปข้างนอกเคยไปอ่านอะบรมนักบุญัติธรรมกับท่านท่านก็ทำตัวเรียบง่ายมากนะนอนที่ไหนก็ได้บางทีนอนในรถยนต์ก็ยังได้เลยนะก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ง่ายๆแล้วชอบช่วยเหลือตัวเองยินะ่งยิ่งท่านจะไม่ค่อยอยากให้ใครช่วยเท่าไหร่แม้แต่ท่าน ในที่ท่านปีสี่เก้าท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านก็หายท่านยังพยายามทํานู่นทํานี่อยู่เสมออพอดีไปเจอท่านก็พยายามไปช่วยท่านท่านให้ช่วยเท่าที่จําเป็นทั้งนั้นเองหลังนั้นท่านก็ไม่ให้ทําท่านก็จะทํางานของท่านเองอบางทีก็ไปยกไม้หนักๆท่านก็ยังยกด้วยตัวเองเลยแต่ไม่ค่อยให้ใครช่วยอันนี้ก็แสดงถึงว่าท่านจะพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่เสมอไม่ให้ตัวเองเป็นภาระกับใคร นอกจากาจาเป็นจริงๆตรงนี้เป็นบุคลิกพิเศษของท่านแลในการวางตัวเช่นเนี้ยก็ทําให้เป็นที่รักคนรุ่นพุกทุกๆคนนะทําตัวง่ายๆเป็นกันเองแล้วท่านจะมีความเกรงใจผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งท่านจะเกรงใจมากนะท่านจะไม่ค่อยจะเอ่ยปากโดยไม่จําเป็นนอกจากาจาเป็นจริงก็จะเอ่ยปาก แต่ท่านจะทำอะไรเองก็ทำเองทุกครั้งไม่ค่อยจะเรียกใครหรือให้ใครช่วยเหลือมากมายนะแต่พยายามช่วยเหลือตัวเองทั้ทุกอย่างนี่ก็เป็นบุคลิกที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งที่พระระดับเจ้าวณะตาบลเป็นพระผู้ใหญ่แต่ท่านก็วางตัวง่ายๆนะในในด้านธรรมะท่านก็พยายามมีความพยายามไปอย่างยิ่งที่จะ อบรมสั่งสอนนะในสมัยก่อนที่ท่านยังแข็งแรงดีท่านจะมาทำบัดรเป็นประจำไม่เคยท่านไม่เคยขาดเลยแล้วท่านก็จะเทศเป็นประจำทุกๆครั้งนะการเทศแต่ละครั้งนี่จะยาวนานประมาณสี่สิบถึงสี่ห้านาทีท่านเทศได้เช่นนี้โดยที่แม้แต่คนฟังบางครั้งก็มีน้อยมากท่านก็เทศเช่นนั้นทุกวันเทศทุกๆครั้ง เทศด้วยความเมตตาแล้วท่านก็จะยกตัวอย่างต่า ง, างๆมากมายทําให้เราเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นเข้าใจแนวทางการเจริญสติได้มากขึ้ น, นะถ้าจะพูดถึงความรู้ตัวอยู่เสมอความรู้ตัวท่านจะพูดเป็นหลักแทบทุกครั้งท่านจะไม่ได้เทศ น, นอกเรื่องไปต่างๆมากมายจะพูดแต่เรื่องความรูร้ตัวแทบจะตลอดอมีบางครั้งท่านก็จะมีเสริมเข้ามาเป็นนิทานต่างๆ ท่านจะยกตัวอย่างนิทานต่างๆขึ้นมาเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่บ่อยนะก็ได้ฟังอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันนะก็มีนิทานบางครั้งที่ท่านยกมาก็เกิดความสะดุดใจนะครั้งหนึ่งท่านก็นะเคยเทศนิทานว่าเออมนะีบุรุษคนหนึ่งนะก็นะกนะเกิดมาแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเกิดมาทำไมนะก็พยายามหาคำตอบ แต่ก็ยังเหมือนกับไม่พบคําตอบจริงๆก็เลยอไม่อยากที่จะเกิดอีกทํานองนี้ก็เลยเข้าไปในปา่าไปหายาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายอพอเข้าไปในป่าแล้วก็อได้ยินเสียงเหมือนกับลูกสัตว์ร้องนะเข้าก็ไปดู ใ, ใกล้ๆก็เป็นลูกเสือนะลูกเสือกําลังดูดนมแม่อยู่แม่ก็โดนธนูยิงเนี่ยตายไปแล้วนะ แต่ลูกเสือก็ดูอยู่นั่นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีนมนะก็ร้องควนค้างอชายหนุ่มนี่ก็เลยสงสารก็เลยนําลูกเสือนะั้นมาเลี้ยงไว้ที่บ้านลูกเสือต่อมาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะอแต่ลูกเสือตัวนี้มันมีอยู่หกปากนะแล้วมันก็กินไม่หยุดเลยกินอยู่กินมากจนชายหนุ่มนี่หาอาหารมาเลี้ยงไม่ไหวอนะก็เลยไปหาอาจารย์ที่อยู่ในปา่า ถามว่าจะทํำยังไงอที่จะฆ่าเสือตัวนี้ได้นะถ้าฆ่าเสือตัวนี้ได้ตัวเองก็จะได้ไม่ต้องลําบากไปหาเลี้ยงเสือนี้ต่อไปนะอาจารย์ก็บอกว่าอเอาเอ า, เอาลูกกงมาขังมันสองร้อยย่สิบเจ็ดซี่ก็ทําลูกกงมาขังสองรอย่สิบเจ็ดลูกสองร้อยิบเจ็ดซี่ก็ปรากฏว่าขังไม่ไม่อยู่นะขังมันไม่อยู่มันก็ออกมาอาละวาอย่างเก่าอกีกไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกให้ลูกกง สิบซี่มาขังก็ไม่อยู่อกีกนะก็เลยไปถามอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์บอกให้ทําลูกกงห้าซี่ก็ยังขังไม่อยู่เองนะก็ไม่รู้จะทําอย่างไรตอนหลังไปถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกให้ทําลูกกงหนึ่งซี่มาขังปรากฏลูกกงหนึ่งซี่นี่ขังแล้วเสืออยู่เลยนะนะอันนี้หลวงพ่อก็เล่านะแล้วตอนหลังท่านก็สรุปในตรงนี้ว่าเออเสือในมันมีหกปากก็คือ มันก็มีตาหูจมล้นกายใจในหลายมันก็กระทบรูปรสกลิ่นเสียงปทภาธรรมอารมณ์แล้วมันก็ทำให้ต้องดิ้นรนต่างๆในการที่เราต้องหาเอาอาหารมาเลี้ยงมันแล้วก็ศีลสองร้อย่ิบเจ็ดก็คือลุกกงเนี่ยสองรอยี่ิบเจ็ดีศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อก็เหมือนกับพระนี่แหละหรือศีลสิบก็คือสามเรนหรือศีลห้าก็คือญาติโยม การนี้ก็ขังมันไม่ได้นะนอกจากอ่าซี่เดียวลูกกงซี่เดียวคือสติเนี่ยก็ขังมันได้นะตรงนี้ก็เป็นความประทับใจในการที่หลวงพ่อมาพูดธรรมอ่าให้ฟังง่ายๆนะเป็นนิทานแต่ว่าถ้ามาคิดแล้วก็มีความประทับใจนะก็เลยนํามาพิจารณาว่าเออตรงนี้มันก็ถูกต้องนะที่หลวงพ่อพูดในตรงนี้นะอะ่เพราะคนเราจริงๆแล้วเราก็เลี้ยงเสือกันทุกๆคนนะ โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเสือเนเสือมันก็มีหกปากนะั่แหะก็คื อ, อมันอยากจ ะ, อ, ะออกมารับอารมณ์ทางรูปรดกลิ่นเสียงผดทพัรมลมต่างๆเร า, า, าก็ต้องสนองมันนะสนองมันทุกอย่างนะมันอยากจะเห็นอยากจะกิน อ, อยากจะฟังอยากจะกระทบะสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความสุขอยากจะคิดนึกต่างๆ เราก็ไปตามใจเข้าทุกอย่างนะไปหาสิ่งต่างมาสนองเขาอยากจะดูหนังก็ไปดูหนังอยากจะฟังเพลงก็ไปฟังเพลงอยากจะกินอาหารที่อร่อยก็ไปหาของกินที่อร่อยนะอยากจะดมกลิ่นที่หอมๆก็ไปหาน้าหอมมาให้เขาดมนะอยากจะอยู่สบายก็ไปอยู่ห้องแอร์นะกระทบนะสิ่งที่มีความนุ่มนุ่มนิ่มนะนอนก็อยู่บนเตียงที่นิ่มนวล น, นะอาบน้ำก็ต้องอาบน้าอุ่น ต่างๆนะใจก็อยากจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้าในใจสิ่งไม่ดีเราก็ไม่อยากนึกถึงนะอยากจะให้ใจของเราเนี่ยมีแต่มีความสุขนะอันนี้เราก็เราไปหาสิ่งต่างมาสนองเขานะบางทีเราทํามาหากินวันๆหนึ่งไม่ค่อยพอก็เพราะว่าต้องไปสนองกินเหล่านี้แหลนะนะแต่ว่าเมื่อกินเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเอาศีลห้ามารักษามันก็ไม่อยู่นะศีลห้า น, นี่มันก็แค่ ไม่ให้ไปทําความผิดเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ห้ามไม่ได้ว่าเอออย่าไปอ่าแสวงหาในรูปรถกลิ่นเสียงต่างๆมันก็ห้ามไม่ได้นะศีนสิบไม่แตีนสองร้อยี่สิบเจ็ดก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นวิ น, นัยอไม่ให้เราไปทําผิดสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ก็ยังห้ามใจของเราที่จะไม่ให้ไปเพลิดเพลินอไปในากาอารมณ์ต่างๆในรูปรถกลิ่นเสียงโผธมธรรมอารมณ์ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเมื่อโทษไม่ได้ก็ ต้องศึกษาลาเพศไปก็มีมากมายเพราะว่าแม่แต่ศีลสอง้อยิบเ็ดก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะแต่ถ้าเรามีลูกกงเพียงสี่เดียวนะคือสตินี้นะเท่านั้นเองนะเราก็จะ ช, นะชนะเสือที่มันมีหกปาก ไ, ไดนะ้รูปรสกินเสียงผวดท่าทาธรมณนะ์มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะการมีสตินั้นก็คือการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางกาย ในทางวาจาของเรานะในทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราจะรู้เท่าทันทั้งหมดนะเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเขาก็จะทำงานต่อไปไม่สะดวกนะหลังจากที่เรารู้เท่าทันแล้วเขาก็จะค่อยๆเบาลงน้อยลงก็คือปากของเขาก็ค่อยๆที่จะหูไปหูไปไม่กินแบบสมัยก่อนนะเราก็เมื่อก่อนเคยสนองอารมณ์เต็มที่แต่เมื่อเรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เราก็การสนองเราก็จะน้อยลงไปด้วยนะมันก็ทำให้ปากเนี่ยจากที่ใหญ่ๆก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดี้ปากทั้งหมดก็หมดไปหมดไปเลยนะตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเราชนะเสือตัวนั้นแล้วนะตันหาในใจเราก็สงบไปไม่ดิ้นลนที่จะสแสวงหาในความสุขในการมาลมอีกต่อไปนี่ก็คือคาเสือหรือตันหาในใจเราให้ดับไปมันก็จะพ้นทุกได้ นี่คือธรรมะที่ดีมากนะที่สัมผัสใจจากปังจากหลวงพ่อในเรื่องเสือหกปากในตรงนี้แต่จริงๆมีธรรมะอีกมากมายนะโดยพระความรูรตัวที่ท่านพยายามที่จะสอนทุกๆวันโดยการทําตัวให้เห็นนะทำทำให้เห็นนะว่าท่านวางตัวอย่างไรนะท่านก็ท่านเทศอย่างไรท่านก็วางตัวเช่นนั้นนะทําให้เห็นให้เราสัมผัสได้เห็นในตรงนั้นว่าท่านก็ทําได้จริงๆ เนะพราะนั้นการป่วยของท่านในครั้งนี้นะก็ดูเหมือนกับท่านก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะท่านก็เหมือนกับท่านก็วางใจยอยู่แล้วนะในการที่เรียกว่านะมันก็ป่วยแต่กายแต่ใจของท่านก็ไม่ป่วยนะเหมือนกับที่ท่านป่วยมาครั้งแรกปีสี่เก้าถาก็กลับมาก็เขียนหนังสือเรื่องสนุกป่วยนะสนุกป่วยในะ ต, ตอนนั้นเหมือนกับว่าท่านก็นะก็ มือนก็ว่าจะเป็นจะตายก็เท่ากันนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีครั้งหนึ่งท่านก็มันก็ตายไปแล้วด้วยนะแต่ท่านก็กลับขึ้นมาใหม่ะแล้วท่านก็เห็นเออมันก็เหมือนก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดาในตรงนั้นเหมือนก็ท่านจะไปก็ได้หรือจะอยู่ก็ได้ะแต่ท่านก็ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านก็อยากจะมามาช่วยเหลืออพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะแต่จริงๆท่านจะไปตอนนั้นก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่ท่านก็มีเมตตกลับมาในการป่วยครั้งแรก นั่นแหละแล้วท่านก็กลับมาแล้วก็ท่านก็มาหลังจากนั้นท่านก็พยายามทําอะไรมากมายนะมีการสอนต่างๆมากมายทั้งท่านที่ท่านก็ยังไม่ถึงว่ากลับมาสมบูรณ์อย่างเก่าแต่ท่านก็เหมือนก็พยายามมากกว่าเก่าในการสอนในการอบรมนะอนนี้หรือว่าท่านก็มีความเมตตามากนะแล้วก็ในการป่วยครั้งแรกท่านก็บอกว่าเออคนหนึ่งเหมือนกับท่านก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วคนอื่งจะมาทุกข์ทำไมนะมาร้องไห้ทําไม ต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นการแสดงว่าจิตใจท่านก็พร้อมแล้วทุกๆครั้งนะหรือแม้แต่ในครั้งนี้เหมือนกับท่านก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นท่านก็ไม่ทุกข์แล้วนะเป็นความที่เรียกว่าเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาของท่านเลยเหนะมือนกับว่าอาอย่าไปทุกข์แทนท่านเพราะท่านก็ไม่ได้ทุกข์แล้วนะแล้วก็ในคืนที่จากไปนะก็ จากการฟังดูผู้ที่ใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังเหมือนกับว่าท่านก็อาจจะรู้แล้วในวันนั้นนะในคืนนั้ น, นท่านก็เข้าห้องน้าแล้วก็มาเขียนใส่กระดาษด้วยนะอาจจะเป็นทำนองว่าท่านก็ขอลาลาตายแล้วทานองนี้นะแล้วท่านก็ล้มลงไปนอนมันก็นอนหลับแล้วก็จากไปอย่างง่ายๆนะนี่ก็คือความเรียบง่ายของผู้ที่จากไปโดยสุติโดยสุกโตนะ นี่เป็นสัญญาณบางอย่างนะที่ว่ า, าทมที่ประพฤติดีแล้วนะก็สามารถยอมจะรักษาผู้ประพฤติทำเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไปได้วยดีนะถ้าเร า, าตรงนี้นะเหมือนกับท่านก็ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ให้เราเห็นว่ารอยเท้าของท่านยังอยู่นะมันยังไม่ได้ลบเลือนลงไป แต่การเวลาก็จะลบเลือนรอยเท้านี้ให้จางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นรอยเท้านี้แล้วเราจะเดินตามรอยเท้านี้ไปไหมนะถ้าเราเดินตามรอยเท้าของท่านไปเราก็จะไปสู่โตเหมือนกับท่านเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะเราก็สามารถที่จะเดินตามรอยเท้าของท่านได้ว่านะท่านเป็นตัวอย่างแล้วว่าท่านก็ไปอย่างสู่โตนะเราก็ สามารถที่ไปได้เช่นกันนะเพราะนั้นในช่วงต่อไปนะเราก็ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ว่าคำสอนของท่านก็ยังอยู่เ uh พรเาะนั้นเราก็สามารถปิบตามคำสอนของท่านได้เหมือนกับเช่นที่ท่านยังอยู่นะไม่ใช่ว่าท่านไม่อยู่แล้วเราปฏิบัติเช่นนั้นไม่ได้ก็หาไม่นะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราจะทำตามไหมเท่านั้นนะเมื่อเราทาตามแล้วนะโอกาสที<ม>่เราจะพ้นทุกข์ก็มีมีได้เช่นกัน นะก็ให้พวกเรามีความเพียรมีวิริยะในการเดินตามเท้าหลวงพ่อคำเขียนส่วนโนต่ตอไปและขอให้ทุกท่านได้พบซึ่งความพ้นทุกได้ในชาตินี้ทุกท่านเทิด